อุบายบรรเทาความโกรธประการที่หนึ่งด้วยกลับเข้าฌานใหม่คำว่าเมตตาฌานในที่นี้หมายถึงขั้นอัปปนาฌานแต่เกจิอาจารย์ให้ทัศนะไว้ว่าหมายเอาเพียงขั้นอุปจาระฌานคำของเกจิอาจารย์นั้นมีฐานะควรฟังได้อยู่ด้วยสมกับอัธทิบายตอนว่าด้วยสีมาสัมเพสข้างหน้า ในที่นั้นให้อถา ธ, ธิบายไว้ว่าสีมาสัมเพสมีฐานะเท่ากับอุปจาระสมาธิหรือปฏิภาคานิมิตโยคีบุคคลก่อนจะลุถึงขั้นอั ป, ปนาชาลต้องผ่านสีมาสัมเพสก่อนแต่ในที่นี้มีได้แสดงว่าต้องผ่านสีมาสัมเพสมาก่อนจเจริญเมตตาในบุคคล น, นั้นๆแล้วก็สําเร็จถึงขั้นอั ป, ปนาชาเลยดังนั้น เกจิอาจารย์จึงได้ติ่งไว้ดังกล่าวก็แลถ้ายโยคีบุคคลทรงจิตไปในคนผู้เป็นคู่เวรกันนั้นความโกรธแค้นย่อมผุดเกิดขึ้นมาเสียเพราะหวนนึกถึงความผิดที่เขาได้ก่อกรรมทําเวรให้ไว้แต่ก่อนเมื่อเป็นเช่นนี้โยคีบุคคลจงหวนกกลับไปเข้าเมตตาฌาน ที่ตนได้ทำให้เกิดแล้วในบุคคลจาพวนกองๆมีคนเป็นที่รักเป็นต้นจำพวกใดจำพวกหนึ่งหลายๆหนออกจากฌานแล้วจึงพยายามเจริญเมตตาไปนในคนคู่เวรกันนั้นแล้วแล้วเล่าเล่าบรรเทาความโกรธแค้นให้หายไปอุบายบรรเทาความโกรธประการที่สอง ด้วยพิจารณาถึงพระพุทธโอวาทถ้าโยคีบุคคลได้พยายามปฏิบัติอยู่โดยทํานองนั้นเป็นอย่างดีแล้วความโกรธแค้นก็มิได้ดับหายไปแต่นั้นจงพยายามให้หนักขึ้นเพื่อบรรเทาความโกรธแค้นให้จงได้โดยวิธีพิจารณาถึงพระพุทธโอวาทที่ตรัสสอนเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยเฉพาะเช่นพระพุทธโอวาท ในกักกะจุปมาสูตรเป็นต้นก็แหละการพยายามเพื่อบรรเทาความโกรธแค้นนั้นโยคีบุคคลพึงเชิญเอาพระพุทธโอวาทมาพร่ำสอนตนเองด้วยประการดังจะยกมาแสดงเป็นตัวอย่างต่อไปนี้คือให้เจ้าบุรุษขี้โกรธพระผู้มีพระภาคได้ตรัสสอนไว้แล้วไม่ใช่รู้ว่าหนึ่งภิกษุทั้งหลาย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 ได้ชื่อว่าประพฤติสิ่งที่เป็นประโยชน์ทั้งแก่ตนและคนอื่นด้วยกันทั้งสองฝ่ายดังนี้ประการหนึ่งสภิกษุทั้งหลายอากุศลละธรรมเจ็ดประการที่ศัตรูต้องการให้มีแก่กันที่ศัตรูพึงทำให้แก่กันจะมาถึงสตรีหรือบูรุษคู่ขี้โกรธเองคือประการที่หนึ่งศัตรูในโลกนี้ ย่อมคิดร้ายหมายโทษให้แก่ศัตรูของตนว่าทำอย่างไรหนอะไอเจ้าคนนี้จึงจะเป็นคนมีผิวพรรณชั่วเพราะศัตรูย่อมไม่พอใจที่จะให้ศัตรูมีผิวพรรณงามภิกษุทั้งหลายบุรุษขี้โกรธอันความโกรธครอบงำแล้วถือเอาแต่ความโกรธเป็นเบื้องหน้านี้ถึงเขาจะอาบน้ําชำระกายให้สะอาดดีแล้วไล่ทาผิวให้ผุดพองดีแล้ว ตัดผมและโกนเคราให้เรียบร้อยดีแล้วนุ่งห่มผ้าที่ขาวสะอาดดีแล้วก็ตามทีแต่เขาผู้ซึ่งถูกความโกรธครอบงำแล้วนั้นยอมชื่อว่ายังเป็นผู้มีผิวพรรณชั่วอยู่นั่นเองและโดยในยะเดียวกันประการที่สองศัตรูยอมคิดร้ายหมายโทษให้แก่ศัตรูของตนว่าทำอย่างไรหนอ ไอ้เจ้าคนนี้พึงจะพึงอยู่เป็นทุกข์ประการที่สามทำอย่างไรหนอะไอ้เจ้าคนนี้จึงจะไม่มีทรัพย์มากประการที่สี่ทำอย่างไรหนอะไอ้เจ้าคนนี้จึงจะไม่มีโภคสมบัติมากประการที่ห้าทำอย่างไรหนอะไอ้เจ้าคนนี้จึงจะไม่มียศศักดิ์ประการที่หกทำอย่างไรหนอะไอ้เจ้าคนนี้ จึงจะไม่มีพวกพ้องมิสหายและประการที่เจ็ดทำอย่างไรนหนาใไอ้เจ้าคนนี้นับแต่ที่มันแตกกายทำลายชีพไปแล้วจึงจะไม่ไปบังเกิดบนสุขติโลกสวรรค์เพราะศัตรูย่อมไม่พอใจจะให้ศัตรูได้ประสบสุขติในโลกสวรรค์ภิกษุทั้งหลายบุรุษขี้โกรธอันความโกรธครอบงำแล้วถือแต่ความโกรธเป็นเบื้องหน้านั้น ยอมประพฤติทุจริตทางกายก็ได้ยอมประพฤติทุจริตทางวาจาก็ได้ยอมประพฤติทุจริตทางใจก็ได้ด้วยเหตุที่เขาประพฤติทุจริตทางกายวาจาใจนั้นนับแต่เวลาที่แตกกายทําลายชีพไปแล้วเขาผู้ซึ่งถูกความโกรธครอบงาเแล้วนั้นย่อมจะไปสู่อบายทุขติวินิบาตและนรกดังนี้ประการหนึ่ง หมายเหตุผู้อา่านข้อนี้สรุปคือคนที่เราโกรธเขานั้นที่เป็นศัตรูของเรานั้นเขายอมปรารถนาให้เราชิบหายในประการใดประการหนึ่งในเจดประการนั้นเมื่อเรายังโกรธเขาอยู่เราก็ย่อมชิบหายตามที่เขาต้องการครบทุกเจ็ดประการนั้นดังนั้นการโกรธเขาแม้จะเป็นคนที่น่าโกรธแค่ไหนก็ตามเท่ากับกําลังทำลายตนเองและเป็นที่ดีใจ ของคนที่เรากําลังโกรธนั้นนะครับสภิกษุทั้งหลายฟืนสำหรับเผาศพที่ไฟไหม้ปลายสองข้างสามตรงกลางเปื้อนคู่สุนัขย่อมไม่สำเร็จเป็นฟืนในบ้านด้วยย่อมไม่สำเร็จเป็นฟืนในป่าด้วยฉันใดเรากล่าวว่าคนขี้โกรธนี้ก็มีลักษณะอาการเหมือนอย่างนั้น ดังนี้ประการหนึ่งก็บัดนี้เจ้ามัวแต่โกรธเขาอย่างนี้จะไม่ได้ชื่อว่าปฏิบัติตามคําสอนของพระผู้มีพระภาคด้วยจะได้ชื่อว่าเป็นคนเลวเสียยิ่งกว่าคนที่โกรธก่อนด้วยจะไม่ได้ชื่อว่าชนะสงครามอัญชนะได้แสนยากด้วยจะได้ชื่อว่าทําอกุศลกรรมอันศัตรูจะพึงทําต่อกันให้แก่ตนเองเสียด้วย จักได้ชื่อว่าเป็นผู้มีลักษณะอาการเหมือนฟืนเผาศพด้วยอุบายบรรเทาความโกรธประการที่สามด้วยมองคนในแง่ดีเมื่อโยคีบุคคลพยายามเชิญพระพุทธโอวาดมาสอนตนอยู่ด้วยประการอย่างนี้ถ้าความโกรธแค้นสงบลงเสยได้ ก็นับว่าเป็นการใช้ได้แต่ถ้ายัางไม่สงบที่นั้นจงเพียรทําอุบายอย่างอื่นต่อไปกล่าวคือถ้าคุณธรรมส่วนใดๆก็ตามที่คนคู่เวร น, นั้นมีอยู่เช่นความเรียบร้อยความสะอาดของเขาบางประการเมื่อนำมาพิจารณาดูให้ดีแล้วสามารถที่จะทำให้เกิดความเลื่อมใสพอใจขึ้นได้ก็จงระลึกเอาคุณธรรมส่วนนั้นๆ มาบรรเทาความอาฆาตเครียดแค้นให้หายโดยประการดังต่อไปนี้มีความจริงอยู่ว่าคนบางคนมีมารยาททางกายเรียบร้อยแต่อย่างเดียวและความเรียบร้อยทางกายนั้นคนทั่วไปจะรู้ได้ในเมื่อเขาบำเพ็ญวัดปฏิบัติไปนานๆแต่มารยาททางวาจาและทางใจของเขาไม่เรียบร้อยสำหรับคนเช่นนี้โยคีบุคคล อย่าได้ระลึกมารยาททางวาจาและทางใจของเขาจงระลึกถึงแต่มารยาททางกายของเขาอย่างเดียวเท่านั้นคนบางคนมีมารยาทเรียบร้อยแต่วาจาอย่างเดียวแต่ความเรียบร้อยทางวาจานั้นคนทั่วไปย่อมจะรู้ได้เพราะว่าคนที่มีมารยาททางวาจาเรียบร้อยนั้นโดยปกติแล้วเป็นผู้ฉลาดในการปฏิบัติสันฐาน เป็นคนนิ่มนวลพูดเพราะรื่นเริงใบหน้ายิ้มยามแจ่มใสทักทายก่อนถึงคราวสวดสรพัญญะก็สวดด้วยเสียงอันไพเราะถึงคราวแสดงธรรมก็แสดงได้อย่างชัดถ้อยชัดคำด้วยบทและพยัญชนะอันกลมกลม่อมแต่ด้วยมารยาททางกายและทางใจของเขาไม่เรียบร้อยสำหรับคนเช่นนี้โยคีบุคคล อย่าได้ระลึกถึงมารยาททางกายและทางใจของเขาจงระลึกถึงมารยาททางวาจาของเขาอย่างเดียวเท่านั้นคนบางคนมีมารยาทเรียบร้อยแต่ทางใจอย่างเดียวและความเรียบร้อยทางใจนั้นจะปรากฏชัดแก่คนทั่วไปก็ในขณะที่เขาไหว้พระเจดีย์เป็นต้นกล่าวคือผู้ใดมีจิตใจไม่สงบเรียบร้อยนั้น เมื่อจะไหว้พระเจดีย์หรือต้นพระศรีมหาโพธิ์หรือจะกราบไหว้พระเทระทั้งหลายเขาย่อมกราบไหว้ด้วยกิริยาอาการอันไม่เคารพเมื่อนั่งอยู่ในโรงธรรมก็นั่งอยู่อย่างงุ่นง่านหรือพูดพล่ามไปส่วนคนผู้มีจิตใจสงบเรียบร้อยย่อมกราบไหว้ยอย่างสนิทสนมด้วยความเชื่อมัน่นถึงคราวฟังธรรมก็เงียโสงฟังด้วยดี ถือเอาเนื้อความได้แสดงอาการเรื่มใสออกทางกายหรือทางวาจาให้ปรากฏคนบางคนย่อมมีแต่ความสงบเรียบร้อยทางใจชนิดแต่ไม่มีความเรียบร้อยทางกายและทางวาจาสำหรับคนเช่นนี้โยคีบุคคลอย่าได้ระลึกถึงมารยาททางกายและวาจาของเขาจงระลึกถึงแต่มารยาททางใจของเขาอย่างเดียวเท่านั้น คนบางคนไม่มีความเรียบร้อยแม้แต่ซักประการเดียวในบรรดามารยาททั้งสามประการนั้นแม้คนเช่นนั้นก็ยังไม่เป็นสิ่งที่เหลือวิสัยเสียทีเดียวโยคีบุคคลจงยกเอาความการุณาขึ้นมาตั้งไว้ในใจแล้วปลงให้ตกลงไปว่าคนเช่นนี้ถึงแม้เขาจะเที่ยวขวางหูขวางตาคนอยู่ในมนุษยาโลกนี้ ก็แต่ในปัจจุบันชาตินี้เท่านั้นต่อไปไม่ช้าไม่นานสักเท่าไหร่เขาก็จกต้องท่องเที่ยวไปบังเกิดในมหานรกแปดขุมและในอุสธาณรก16ขุมโดยแน่แท้เพราะอาศัยแม้เพียงความกรุณาเช่นนี้ความอาฆาตเคียดแค้นก็อาจสงบลงได้ คนบางคนย่อมมีมารยาทเรียบร้อยครบทั้งสามประการสำหรับคนเช่นนี้โยคีบุคคลมีความชอบใจมารยาทของเขาประการใดๆก็จงเลือกประลึกเอามารยาทประการนั้นๆตามอัธยาไซเถิดเพราะการเจริญเมตตาในคนเช่นนี้ย่อมจะปฏิบัติได้โดยไม่ลำบากเลยก็แล เพื่อที่จะแสดงความเรื่องนี้ให้ชัดเจนเด่นชัดขึ้นอีกโยคีบุคคลจงตรวจดูอาคาตปติวินยาสูตรในปัญจกะนิบาตอังคุตระนิกายซึ่งมีใจความเป็นต้นว่าอาวุโสอุบายสำหรับบรรเทาความอาคาห้าประการเหล่านี้ที่ภิกษุพึงใช้บรรเทาความอาคาที่เกิดขึ้นแล้วให้ดับไปโดยประการทั้งปวง อุบายบรรเทาความโกรธประการที่สี่ด้วยการพรำสอนตนเองแม้ว่าโยคีบุคคลจะได้พยายามบรรเทาความอาฆาตเคียดแค้นด้วยอุบายวิธีดังกล่าวเป็นอย่างดีแล้วแต่ความอาฆาตเคียดแค้นก็ยังเกิดขึ้นอยู่ร่ำไปแต่นั้นโยคีบุคคลจงเปลี่ยนวิธีใหม่กล่าวคือ จงพยายามพร่ำสอนตนด้วยอุบายวิธีดังต่อไปนี้หนึ่งก็เมื่อคนผู้เป็นคู่เวรทำทุกข์ให้แก่เจ้าได้ก็แต่ตรงที่ร่างกายของเจ้าเหตุไฉ น, นเจ้าจึงปรารถนาที่จะหอบเอาความทุกข์นั้นเข้ามาใส่ไว้ในจิตใจของตนอันมิใช่วิสัยที่คนคู่เวรจะพึงทำให้ได้เล่าสอง หมู่ญาติซึ่งเป็นผู้มีอุปการะคุณเป็นอันมากทั้งๆ ท, ที่มีหน้าชุ่มโชคอยู่ด้วยน้ำตาเจ้าก็ยังอุตส่าห์ละทิ้งเข้ามาได้ก็เหตุฉะไหนจึงจะละไม่ได้ซึ่งความโกรธอันเป็นตัวศัตรูผู้ทำความพินาาให้อย่างใหญ่หลวงเล่าสเจ้าจงอุตส่าห์รักษาศีลเหล่าใดไว้ แต่เจ้าก็ได้พนองเอาความโกรธอันเป็นเครื่องตัดรากศีลเหล่านั้นไว้ด้วยใครเล่าที่จะโง่เซื่อเหมือนเจ้าสเจ้าโกรธว่าคนคู่เวรได้ทำความผิดอันใหญ่หลวงให้แก่เจ้าแต่เหตุชะไหนจึงปรารถนาที่จะทำความผิดเช่นนั้นด้วยตนเสียเองเล่าห้า ก็เมื่อคนคู่เวรปรารถนานักหนาที่จะให้ความโกรธเกิดขึ้นแก่เจ้าจึงได้ทำสิ่งที่ไม่พอใจยั่วยุเจ้าเหตุไรเจ้าจึงจะทำความปรารถนาของเขาให้สำเร็จเสียเองด้วยการยอมให้ความโกรธนั้นเกิดขึ้นเล่า <6. S 1> เมื่อเจ้าโกรธขึ้นมาแล้วเจ้าจะได้ก่อทุกข์ให้แก่คนอื่น ผูท้ทำความผิดให้แก่เจ้านั้นหรือไม่ก็ตามแต่เป็นอันว่าเจ้าได้เบียดเบียนตนเองด้วยทุกข์คือความโกรธอยู่ณขณะนี้นั่นเที่ยวเจ็ดก็เมื่อพวกคนคู่เวรได้เดินไปสู่ทางผิดคือความโกรธซึ่งไม่นำประโยชน์อะไรมาให้แก่ตนเลยแม้เมื่อเจ้ายัางโกรธเขาอยู่ก็ชื่อว่าได้คล้อยไปตามทางของเขาเสียล่ะสิ แศัตรูได้ทำสิ่งอันไม่เป็นที่พอใจให้แก่เจ้าด้วยอาศัยความโกรธของเจ้าอันใดเจ้าจงรีบถอนความโกรธอันนั้นออกเสียเถิดเจ้าจะเดือดร้อนในสิ่งที่ไม่สมควรทำไมกันเก้าขันห้าเหล่าใดได้ทำสิ่งที่ไม่พอใจให้แก่เจ้าขันห้าเหล่านั้นก็ได้ดับไปแล้ว เพราะสภาวะธรรมทั้งหลายดับไปชั่วขณะนิดเดียวแล้วก็มีขันห้าอื่นเกิดขึ้นมาแทนบัดนี้เจ้าจะมาโลงโกรธใครณที่นี้เล่าการโกรธต่อขันห้าที่เกิดขึ้นมาใหม่ซึ่งไม่มีความผิดนั้นเป็นการไม่สมควรอย่างยิ่งสิ 10. ผู้ใดทําความผิดให้แก่ผู้ใดเมื่อไม่มีผู้ทําความผิดให้นั้นแล้ว ผู้ที่จะทำความผิดตอบนั้นจะพึงทำความผิดให้แก่ใครที่ไหนเราตัวเจ้าเองลหละเป็นตัวการแห่งความผิดเองฉะนั้นเจ้าจะไปโกรธคนอื่นเขาทำไมฉนไหนจึงไม่โกรธตัวเองเล่าอุบายบรรเทาความโกรธประการที่ห้าด้วยพิจารณาถึงกรรม ก็แลเมื่อโยคีบุคคลจะได้พยายามร่ำสอนตนเองด้วยประการดังกล่าวมาแล้วก็ตามแต่ความโกรธแค้นก็ยังไม่สงบลงแต่นั้นโยคีบุคคลจงใช้วิธีพิจารณาถึงภาวะที่ตนและคนอื่นเป็นผู้มีกรรมเป็นของแห่งตนต่อไปในการพิจารณาถึงกรรมนั้นจงพิจารณาถึงภาวะที่ตนเอง เป็นผู้มีกรรมเป็นของแห่งตนเป็นอันดับแรกดังต่อไปนี้นี่เนะี่ยพ่อมหาจำเริญเจ้าโกรธคนอื่นเขาแล้วจะได้ประโยชน์อะไรกรรมอันมีความโกรธเป็นเหตุของเจ้านี้มันจักบันดาลให้เป็นไปเพื่อความชิบหายแก่เจ้าเองมิใช่หรือด้วยว่าเจ้าเป็นผู้มีกรรมเป็นของแห่งตนมีกรรมเป็นทายาทมีกรรมเป็นกาเนิด มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งเจ้าได้ทำกรรมสิ่งใดไว้เจ้าจักต้องได้รับผลของกรรมนั้นอันหนึ่งกรรมของเจ้านี้มันไม่สามารถที่จะบันดาลให้สำเร็จสัมมาสาัมโพธิญาณปัจเจกโพธิญาณและสาว ก, กภูมิได้มันไม่สามารถที่จะบรรดาลให้สำเร็จสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งในบรรดาสมบัติต่างๆ เช่นความเป็นพระพรหมพระอินทร์พระเจ้าจากักรพรรดิและพระเจ้าประเทศราชได้เลยตรงกันข้ามกรรมของเจ้าเนี่ยบัญจัตขับไล่สายส่งให้เจ้าออกจากพระศาสนาแล้วบันดาลให้ประสบผลอันประหลาดต่างๆเช่นทําให้บังเกิดเป็นคนขอทานกินเดนของคนอื่นหรือประสบทุกข์อย่างใหญ่หลวงเช่นทําให้บังเกิดในนรกเป็นต้น อย่างแน่นอนอันตัวเจ้านี้นั้นเมื่อคืนทำกรรมอยู่อย่างนี้ย่อมชื่อว่าเผาตัวของตัวทั้งเป็นและทำตัวเองให้มีชื่อเสียงเน่าเหม็นเป็นคนแรกนั่นเทียวเหมือนบูรุษผู้จับ่านเพลิงอันปราศจากเปลวก็ดีจับคูดก็ดีด้วยมือทั้งสองหวังจะประหารคนอื่นฉะนั้น เมื่อได้พิจารณาถึงภาวะที่ตัวเป็นผู้มีกรรมเป็นของแห่งตนอย่างนี้แล้วจงพิจารณาถึงภาวะที่คนอื่นเป็นผู้มีกรรมเป็นของแห่งตนในอันดับต่อไปดังนี้แม้เขาผู้นั้นโกรธเจ้าแล้วเขาจะได้ประโยชน์อะไรกรรมอันมีความโกรธเป็นเหตุของเขาผู้นั้นบันจกบันดาลให้เป็นไปเพื่อความชิบหายแก่เขาเองมิใช่หรือ เพราะว่าเขาผู้นั้นเป็นผู้มีกรรมเป็นของแห่งตนมีกรรมเป็นทายาทมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งเขาจะได้ทำกรรมสิ่งใดไว้เขาก็จะต้องได้รับผลของกรรมนั้นอนหนึ่งกรรมของเขาผู้นั้นมันไม่สามารถที่จะบรรดาให้สำเร็จสัมมาสาัมโพธิญาณปัจเจกโพธิญาณและสาว ก, กภูมิได้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 หรือทำให้ประสบทุกข์อย่างใหญ่หลวงเช่นทำให้บังเกิดในนรกเป็นต้นอย่างแน่นอนเขาผู้นั้นเมื่อขืนทำกรรมอยู่อย่างนี้ยอมชื่อว่าโปรยทุลีคือความโกรธใส่ตนเองเหมือนบุรุษผู้จะโปรยทุลีใส่คนอื่นแต่ไปยืนอยู่ทางใต้ลมฉะนนั้นข้อนี้สมด้วยพระพุทธนิพนธ์สุภาษิตในขุตกะนิกายว่า ผู้ใดประทุษร้ายต่อคนผู้ไม่มีความผิดทั้งเป็นคนบริสุทธิ์หมดจดหมดกิเลสบาปจะส่งผลให้เขาผู้นั้นซึ่งเป็นคนผานซิเองเหมือนทุลีอันละเอียดที่คนซัดไปทวนลมย่อมจะปลิวกลับมาถูกเขาเองฉะนนั้นอุบายบรรเทาความโกรธประการที่หก ด้วยพิจารณาถึงพระพุทธจริยาในปางก่อนก็แลถ้าโยคีบุคคลได้พยายามพิจารณาถึงภาวะที่ตนและคนอื่นเป็นผู้มีกรรมเป็นของแห่งตนอย่างนี้แล้วความโกรธแค้นก็ไม่ได้สงบอยู่นั่นแหละแต่นั้นจงระลึกถึงพระคุณคือพระจริยาวัดของพระบรมศาสดาในปางก่อน เพื่อบันเทาความโกรธแค้นต่อไปในพระพุทธเจริยาวัรแต่ปางก่อนนั้นมีส่วนที่โยคีบุคคลควรจะนำมาพิจารณาเตือนตนด้วยวิธีดังต่อไปนี้นี่นะพ่อมหาจำเริญพระบรมศาสดาของเจ้าในปางก่อนแต่ยังงมิได้ตรัสรู้พระสัมมาสัมโพธิญาณทรงเป็นพระโพธิสัตว์ บำเพ็ญบารมีสามสิบทัตต์อยู่ถึงสี่อสงไขยกับแสนมหากับนั้นพระองค์ก็ไม่ได้ทรงทำพระหฤทัยให้โกรธเคืองแม้ในศัตรูทั้งหลายผู้พยายามประหัดประหารพระองค์อยู่ในชาตินั้นๆมิใช่หรือพระจริยาวัดของพระบรมศาสดาในปางก่อนแต่แล้วเรื่องนั้นพึงทราบแต่โดยย่อดังนี้เรื่องที่หนึ่งพระเจ้าศีลวะ ในศีลวะชาดกพระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นพระเจ้าแผ่นดินมีพระนามว่าพระเจ้าศีลวะอมาดผู้ใจบาปหยาบช้าได้ลอบล่วงประเวณีกับพระอัครมเหสีของพระองค์แล้วไปเชื้อเชิญเอาพระราชาผู้เป็นปฏิปักษ์มายึดเอาพระราชสมบัติในที่อันมีอาณาบริเวณถึงสามร้อยโยชนพระโพธิสัตว์ศีลวะราชา ก็มิได้ทรงอนุญาตให้หมู่มุกอมบาดผู้จงรักภักดีลุกขึ้นจับอาวุธเข้าต่อต้านต่อมาพระองค์พร้อมด้วยหมู่มุกอมบาดพันหนึ่งได้ถูกเขาขุดหลุมฝังทั้งเป็นลึกแค่พระสอตรงที่ป่าช้าผีดิบพระองค์ก็ไม่ได้ทรงเสียพระราชาอรไัยแม้แต่น้อยอาศัยพวกสุนัขจิ้งจอกมันพากันมาคุ้ยกินซากศพได้ขุดคุ้ยดินออก พระองค์จึงได้ทรงใช้ความเพียรของลูกผู้ชายด้วยกำลังแห่งพระพาหาทรงตะ ก, กายออกมาจากหลุมจึงทรงรอดชีวิตได้และด้วยอนุภาพเทวดาช่วยบันดาพระองค์ได้เสด็จขึ้นไปยังพระราชนิเวศของพระองค์ทรงเห็นพระราชาผู้เป็นศัตรูบันทมอยู่บนพระแท่นที่บรรทมพระองค์ก็ไม่ได้ทรงพระพิโรธโกรธเคืองแต่ประการใด กลับทรงปรับความเข้าพระไทยดีต่อ ก, กันละกันแล้วทรงตั้งพระราชาผู้เป็นศัตรูนั้นไว้ในฐานะแห่งมิตรและได้ตรัสสุภาษิตว่าชาติชายผู้บัณฑิตพึงทำความหวังด้วยปราศ จ, จากโทษไปเถิดอย่าพึงเบื่อนายท้อแท้เสียเลยเรามองเห็นทางอยู่ว่าเราปรารถนาที่จะสถาปนาตนไว้ในราชสมบัติโดยไม่เบียดเบียนใค ร, ใคร ด้วยประการใดเราก็จะปฏิบัติด้วยประการนั้นเรื่องที่สองขันติวาธีดาบทในขันติวาทีชาดกพระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นขันติวาทีดาบทเมื่อพระเจ้าแผ่นดินผู้ทรงครองแวงแคว้นกาสีผู้โง่เขลาพระนามว่าพระเจ้ากลาภุ ได้ตรัสถามพระโพธิสัตว์คันติวาธีดาบทว่าสมณะพระผู้เป็นเจ้านับถือวาทะอะไรพระโพธิสัตว์ทูลตอบว่าอตมาภาพนับถือขันติวาทะคือนับถือความอดทนที่นั้นพระเจ้ากลาภุดได้ทรงรับสั่งให้เคี่ยนพระโพธิสัตว์ด้วยแท้มีหนามเหล็กเป็นการพิสูจน์จนในที่สุดถูกตัดมือและเท้าแต่แล้วพระโพธิสัตว์ ก็ไม่ได้ทำความโกรธเคืองเลยแม้แต่น้อยเรื่องที่สามธรรมปาละกุมารการที่พระโพธิสัตว์เป็นผู้ใหญ่แล้วและดำรงอยู่ในเพศบรรพชิตสามารถอดกลั้นได้เหมือนเช่นพระเจ้าศีละวะและขันติวาธีดาบทนั้นยังไม่เป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์เท่าไหร่นัก ส่วนเนจุลธรรมปาลาชาดกพระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นธรรมปาลากุมารทรงเป็นทารกยังนอนหงายอยู่เทียวถูกพระเจ้ามหาปตาปะผู้เป็นพระบิดามีพระราชบัญชาให้ตัดพระหัตและพระบาททั้งสี่ดุดว่าให้ตัดหน่อไม้ในขณะที่พระมาดาทรงพิไรเคร้่มครวนอยู่ว่าข้าแต่พระองค์ผู้ส ม, มุติเทพ แขนทั้งสองของพ่อธรรมปาละผู้เป็นรัชทายาทในแผ่นดินซึ่งไลยทาแล้วด้วยรถแห่งจันหอมกำลังจะขาดไปอยู่แล้วหม่อมฉันจะหาชีวิตไม่ได้อยู่แล้วละเพคะแม้กระนั้นแล้วพระเจ้ามหาปตาปะก็ยังไม่ได้สาสมพระราชหฤทยัยได้ทรงมีพระราชองค์การไปอีกว่าจงตัดศีรษะมันซะ ฝ่ายพระโพธิสัตว์ธรรมปาละภุมานก็มิได้ทรงแสดงออกแม้เพียงพระอาการเสียพระไทยทรงอธิษฐานสมาทานอย่างแม่นมั่นแล้วทรงโอวัยพระองค์เองว่าขณะนี้เป็นเวลาที่เจ้าจะต้องประคองรักษาจิตของเจ้าไว้ให้ดีแล้วนะพอธรรมปาละผู้เจริญบัดนี้เจ้าจงทำจิตให้เสมอในบุคคลทั้งสี่คือพระบิดาผู้ทรงบัญชาให้ตัดศีรษะหนึ่ง พวกราชบุรุษที่จะตัดศีรษะหนึ่งระมาณดาที่กำลังทรงพิไรายรำพันหนึ่งตนของเจ้าเองหนึ่งหมายเหตุผู้อ่านสำหรับเรื่องนี้ใครจะเชื่อไม่เชื่อก็ได้นะครับแต่หลายคนอาจจะไม่เชื่อว่าเด็กทารกนั้นบางคนสามารถรับรู้และรู้สึกตนเหมือนผู้ใหญ่ได้จริงๆเรื่องนี้ก็เกิดกับตัวผู้อ่านเองนะครับ ในครั้งเป็นทารกนั้นวันหนึ่งตื่นขึ้นมาแล้วรู้สึกตัวเป็นผู้ใหญ่แต่พูดไม่ได้พอจะพูดก็กลายเป็นเด็กร้องไห้ความรู้สึกนั้นชัดเจนมากแล้วก็ชัดมาตลอดหลายปีตอนเป็นเด็กนะครับและพอต่อมาได้ศึกษาเรื่องการเจริญสติจึงได้รู้ว่าภาวะนี้คือภาวะของจิตผู้รู้ตื่นแยกจิตออกมาจากกายชัดเจนเหมือนเป็นคนอีกคนหนึ่งที่กาลังเห็นกายนี้ใจนี้ทางานอยู่นะครับ นี่ก็จุดเริ่มต้นที่หลายคนสงสัยว่าทำไมคนแบบผมถึงได้มาทำงานด้านเผยแพ่ศาสนานะครับข้อนี้ไม่ได้คิดจะยกตนขึ้นมานะครับแต่ว่าเป็นประสบการณ์ตรงที่เจอมากับตัวเองและในชาดกมีกล่าวถึงเรื่องนี้พอดีก็เลยอยากจะเล่าให้ฟังใครจะไม่เชื่อก็ได้นะครับแต่ของแบบนี้ต้องปฏิบัติเท่านั้นถึงจะเห็นได้เองซึ่งสาหรับส่วนตัวแล้วเป็นเรื่องที่เกินจะเข้าใจเหมือนกันนะครับ เพราะผู้อ่านเองเกิดมาในตระกูลที่เป็นคริสต์ที่แคร่งมากทั้งตระกูลนะครับแม้จะเจอสิ่งเหนือธรรมชาติหลายอย่างแต่ในวัยเด็กก็ไม่ได้สนใจก็ได้แค่สงสัยนะครับจนมาศึกษาพระพุทธศาสนาโดยบังเอิญก็เลยได้คำตอบทุกอย่างที่ตัวเองได้เจอแล้วก็เกิดศรัทธาอยากให้คนพุทธที่อ้างตัวเป็นพุทธอีกมากได้ศึกษาคาสอนที่แท้จริงและดีต่อชีวิตจริงๆนะครับ การที่พระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นมนุษย์แล้วทรงอดกลั้นได้ต่อการทารุณกรรมต่างๆจากศัตรูเหมือนอย่างในเรื่องที่สามที่แสดงมาแล้วนั้นแม้ข้อนี้ก็ยังไม่เป็นสิ่งที่น่าอศัศจรรย์มากนักส่วนที่น่าอศัศจรรย์มากยิ่งกว่านั้นคือพระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นสัตริรชานในกำเนิดต่างและได้รับทุกทรมานอย่างแสนสาหัสดังต่อไปนี้ เรื่องที่สี่เรื่องพญาช้างชัดทันเรื่องแรกได้แก่พระโพธิสัตว์สวยพระชาติเป็นพยาช้างชื่อชัดทันแม้พระองค์จะถูกในพรานยิงด้วยลูกศรอันกํำซาบด้วยยาพิษณที่ตรงสะดือก็ไม่ได้ขุนเคืองใจในพรานผู้ซึ่งทําความพินาฏให้แก่ตนอยู่เช่นนั้นข้อนี้สมด้วยความพระบาลีในคำภีชาดกว่า พญาช้างสัาดทันแม้จะถูกทิมแทงด้วยลูกศรเป็นอันมากแล้วก็มิได้มีจิตคิดประทุษร้ายในนายพรานกลับพูดกับเขาอย่างอ่อนหวานว่าพ่อสหายน่ต้องการอะไรรืท่านญิงเราเพราะเหตุแห่งสิ่งใดรึการที่ท่านมาณที่นี้และทำแก่เราอย่างนี้มิใช่เป็นด้วยอํานาจของท่านเองดังนั้นการพยายามทาเช่นนี้ท่านทาเพื่อพระราชาองค์ใด หรือเพื่อมาหาอา ม, มาตย์คนใดหรือก็แลครั้นพระโพธิสัตว์พญาช้างชัดทันถามอย่างนี้แล้วเนพรานก็ได้ตอบออกมาตามความสัต์จริงว่าท่านผู้เจริญพระราชเทวีของพระเจ้ากาสีได้ส่งส่งข้าพระเจ้ามาเพื่อต้องการงาของท่านทันทีนั้นพระโพธิสัตว์เมื่อจะทำพระราชประสงค์ของพระราชเทวีนั้นให้สาเร็จบริบูรณ์ จึงได้ให้ตัดงาทั้งสองของตนอันมีความงามดุดทองคำธรรมชาติสุก ป, ปล่งด้วยแสงอันเปล่งออกแห่งรัสมีอันประกอบด้วยสีหกประการแล้วก็มอบให้ในพรานนั้นไปถวายเรื่องที่สองครั้นพระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นพยากระบีพระโพธิสัตว์พยากระบีนั้นได้ช่วยบุรุษคนหนึ่ง ให้ขึ้นจากเหวจนรอดชีวิตมาได้ครั้นแล้วบุรุษนั่นเองได้คิดทรยศต่อพระองค์ว่าวานอนนี้ย่อมเป็นอาหารของมนุษย์ได้ฉันเดียวกับพวกเนื้อมรึกในป่าประเภทอื่นๆถ้ากใไรเราหิวขึ้นมาแล้วจะพึงฆ่าวานอนนี้กินเป็นอาหารครั้นกินอิ่มแล้วจะเอาเนื้อที่เหลือไปเป็นสเสบียงเดินทางเราก็จะข้ามพ้นทางธุร ก, กันดารไปได้ เนือนี้จะเป็นเสเบียงของเราครั้นแล้วเขาก็ยกก้อนศิลาขึ้นทุ่มลงบนกระห ม, ม่อมของพระโพธิสัตว์ฝ่ายพระโพธิสัตว์ได้จ้องมองบุรุษนั้นด้วยหน่วยตาทั้งสองอันนองด้วยน้ําตาทั้งนี้ด้วยความกรุณาว่าเจ้าคนนี้เป็นอันตรพาณประทุษร้ายมิตรและพูดกับเขาด้วยความปรารถนาดีว่าอย่านท่านท่านเป็นแขกสําหรับข้าพเจ้า ท่านยังสามารถทำกรรมอันหยาบช้าทารุณทํานองนี้ได้ท่านยังจะอยู่ไปอีกนานควรจะช่วยห้ามคนอื่นๆเข้าเสียด้วยครั้นพระโพธิสัตว์กล่าวดังนี้แล้วก็มิได้มีจิตคิดประทุษร้ายในบุุษนั้นมิน้ำซำ้ำายังงมิได้คิดห่วงถึงความลำบากของตนได้ช่วยส่งบุุษนั้นให้พ้นจากทางธุระ ก, กันดานจนลุถึงภูมิสถาน อันกเกษมปลอดภัยต่อไปเรื่องที่หกพญานาคชื่อภูริทัตตะครั้นพระโพธิสัตสว์เสวยพระชาติเป็นพญานาคราชชื่อภูริทัตตะพระโพธิสัตว์พญานาคภูริทัตตะนั้นได้อธิษฐานเอาอุโบสถศีลแล้วขึ้นไป น, นอนอยู่บนยอดจอมปลวกครั้งนั้น พวกพราห ม, มองูได้เอาโอสดมีพิษเหมือนกับไฟปะไลกกันราสใส่ทั่วทั้งตัวกระทืบด้วยเท้าทำให้อ่อนกำลังแล้วจับยัดใส่ค้องเล็กๆนำไปเล่นกลให้คนดูจนทั่วชมพูทวีปพระโพธิสัตว์พญาหน้าภูริทัตตะก็ไม่ได้แสดงอาการแม้เพียงนึกขัดเคืองในใจในพราหมนั้นแต่ประการใดข้อนี้ สมด้วยความบาลีในคัมภีจริยาปิดอกว่าเมื่อหมองูชื่ออาลัมพานะจับเรายัดใส่ในค้องเล็กๆ ก, ก็ดีย่าเหยียบเราอยู่ด้วยส้นเท้าเพื่อให้อ่อนกําลังลงก็ดีเราไม่ได้โกรธเคืองในหมองูอาลัมพานะนั้นเลยทั้งนี้เพราะเรากลัวศีลของเราจะขาดกระท่อนกระแท่นไปเรื่องที่เจ็ด พญานาคชื่อจำเปรยะครั้นพระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นพญานาคราชชื่อจำเปรยะแม้พระโพธิสัตว์พญานาคจำเปรยะนั้นจะได้ถูกหมองูทรมานเบียดเบียนอยู่ด้วยประการต่างๆก็มิได้แสดงอาการแม้เพียงนึกขัดเคืองในใจข้อนี้สมด้วยความบาลีในคำภีจริยาปีดกว่า ม้ในชาติเป็นจำเปยยะนาคราชนั้นเราก็ได้ประพฤติ ธ, ธรรมจำอุโบสถศีลหมองูได้จับเอาเราไปเล่นกลอยู่ที่ประตูพระราชวังเขาประสงค์จะให้เราแสดงเป็นสีอะไรคือจะเป็นสีเขียวสีเหลืองสีขาวหรือสีแสดแก่เราก็คล้อยให้เป็นไปตามใจประสงค์ของเขาเรามีความตั้งใจอยู่ว่าขอให้หมองูนี่จงได้ลาบมากๆเถิด แล้วด้วยอนุภาพของเราเราสามารถที่จะบรรดาที่ดอนให้กลายเป็นน้ำก็ได้แม้บรรดาล น, น้ำให้กลายเป็นที่ดอนก็ได้ถ้าเราจะพึงโกรธเคืองเจ้าหมองูนั้นเราก็สามารถที่จะทำให้เขากลายเป็นเท่าทานชั่วครู่เท่านั้นแต่ถ้าเราจะตกอยู่ใต้อำนาจอากุศลจิตนั้นเราก็จะเสื่อมจากศีลเมื่อเสื่อมจากศีลแล้ว ความปรารถนาขั้นสุดยอดคือความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าของเราก็จะไม่สำเร็จสมประสงค์เรื่องที่8ปดพญานาคชื่อสังคปรละครั้นพระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นพญานาคราชชื่อสังคปาละพระโพธิสัตว์สังคปาละนั้น ถูกบุตรในพรานสิบหคนช่วยกันเอาหอกอย่างแหลมคมแทงเข้าที่ลำตัวถึงแปดแห่งแล้วเอาเครือวันที่เป็นหนามร้อยเข้าไปตามรูแผลที่แทงนั้นเอาเชือกอย่างมั่นเหนียวร้อยเข้าทางรูจมูกแล้วช่วยกันลากไปลำตัวถูกครู่ดสีไปกับพื้นดินพระโพธิสัตว์สังกประนาคราชได้เสวยทุกข์อย่างใหญ่หลวงแม้พระโพธิสัตว จะสามารถปันดานให้บุตรในพรานเหล่านั้นแหลกละเอียดเป็นเท่าทุลีด้วยวิธีเพียงแต่โกรธแล้วจ้องมองดูเท่านั้นแต่พระโพธิสัตว์ก็ไม่ได้ทำการโกรธเคืองลืมตาจ้องมองดูเขาเหล่านั้นเลยข้อนี้สมด้วยความบาลีในคำพีชาดกว่าในอลาระเราอยู่จำอุโบสถศีลเป็นนิดทุกวันพระส4่คาและสบห้าค คราวครั้งนั้นได้มีบุตรของนายพรานสิบหกคนพานกันถือเชือกและบ่วงอย่างมั่นเหนียวไปหาเราและเขาได้ช่วยกันร้อยจมูกเราชุดดึงเชือกที่ร้อยจมูกผูกตรึงเราหมดทั้งตัวแล้วลากเราไปทุกอย่างใหญ่หลวงถึงเพียงนั้นเราก็ยังกดกลั้นได้ไม่ยอมทำให้อุโบสถศีลกำเริบเศร้าหมองแท้ที่จริงนั้น พระบรมศาสดามิใช่ทรงทำสิ่งที่น่าอัศจรรย์ไว้เพียงที่ได้ยกมาแสดงเป็นตัวอย่างนี้เท่านั้นพระองค์ได้ทรงบำเพ็ญพระจริยาวัดอันน่าอัศจรรย์แม้อย่างอื่นๆไว้เป็นอเนกประการซึ่งมีปรากฏในชาดกต่างๆเช่นมาตุกโพสกะชาดกเป็นอาทิก็แลบัดนี้เมื่อเจ้าได้อ้างอิงเอาพระผู้มีพระภาค ผู้ทรงบรรลุพระสัพพัญยุตยานแล้วผู้ทรงมีพระคันติคุณยังไม่มีใครเสมอเหมือนทั้งในโลกมนุษย์และโลกเทวดาว่าเป็นศาสดาของเจ้าดังนี้แล้วการที่เจ้าจะยอมจำนวนให้จิตโกรธแค้นเกิดขึ้นครอบงำได้อยู่ย่อมเป็นสิ่งที่ไม่ชอบไม่สมควรอย่างยิ่งเทียว หมายเหตุผู้อ่านสำหรับเรื่องชาดกคนรุ่นใหม่จำนวนมากอาจจะเชื่อไม่ลงนะครับถ้าไม่อยากเชื่อก็ข้ามเรื่องพวกนี้ไปก่อนมองหาเรื่องที่ควรเชื่อได้ง่ายขึ้นอย่างเช่นครั้นทรงเจอช้างตกมันเจอคนใส่ร้ายเจอคนปองร้ายเราทรงแก้ปัญหาต่างๆได้ด้วยพระเมตตาซึ่งมีแต่งมารวมไว้แล้วในบทสวดพาหุงนะครับที่กลับถูกสืบต่อให้สวดแบบแปลไม่ออก ล้วคิดว่าเป็นคาถาขลังคถาชนะมารชนะปัญหาโดยไม่ยอมเข้าใจว่านี่เป็นการย่อเรื่องหลายเรื่องมาสรุปใหเห็นว่าทุกอย่างทุกปัญหาควรแก้ได้ด้วยเมตตาให้อภัยไม่โกรธจึงชนะทุกปัญหาได้จริงแม้แต่สัตว์เดรัจฉานะครับคือช้างตกมันก็ยังสงบลงได้ด้วยเมตตาจิตประดับสูงโดยอิงในายะหนึ่งก็คือ เป็นการอ้างสัจจะบารมีอ้างความจริงเพื่ออธิษฐานจิตแต่สําคัญที่สุดก็คือต้องแปลออกและจิตต้องน้อมตามบทสวดเข้าถึงสาระสําคัญด้วยนะครับสำหรับข้อความในคำพีที่สืบต่อกันมานั้นอยางให้เข้าใจอย่างหนึ่งนะครับว่าส่วนหนึ่งเป็นวิธีการสอนเป็นสื่อการสอนให้คนในยุคโบราณเข้าใจได้ง่ายการใช้สมมุติบัญญัติจึงจาเป็น ในการหยิบยกมาเปรียบเทียบให้หน้าฟังหน้าสนใจเหมาะสมกับกลุ่มคนต่างกันไปหลายครั้งนะครับที่ตรัสสอนในขั้นปรมัตาร์แก่นแท้เมื่อเจอคนที่เหมาะสมบางคนก็ต้องสอนแบบหนึ่งบางคนต้องสอนต่างกันไปตามจริตวาสนาปัญญาเหมือนการสอนเด็กอนุบาลก็ต้องใช้วิธีเล่าเรื่องหากนำสูตรเคมีหรือหลักในระดับลึกแม้แต่ปรชัชญา ที่ต้องตีความหลายชั้นไปสอนเด็กเล็กหรือคนที่ไม่มีการศึกษามากพอนะครับก็จะเสียเวลาเปล่าและอาจทำให้เข้าใจผิดได้มากขึ้นหรือไม่มีทางเข้าใจได้เลยในเรื่องของชาดกนั้นวินิจฉัยได้หลายอย่างนะครับว่าส่วนหนึ่งเป็นกุสโลบายในการอธิบายธรรมะด้วยการเปรียบเทียบก็ได้บางครั้งอาจมีการยกความเชื่อของคนยุคนั้นมาเป็นตัวประกอบเรื่อง ทั้งชื่อเมืองทั้งสิ่งที่เขาเชื่อหรือพอจะเข้าใจได้เคยเห็นเคยได้ยินคำศัพท์ต่างๆคำเรียกชื่อเช่นพราหมณ์หรือการบูชายัญก็ยังมีการนามาอธิบายในทางพระพุทธศาสนานะครับว่าคืออะไรและควรเป็นอะไรถึงจะดีที่สุดถึงจะถูกต้องที่สุดสมกับคำนั้นการเล่าถึงอดีตชาติก็มักจะมีชื่อเมืองชื่อภูเขาชื่อที่คนยุคนั้นรู้จักเข้าใจได้ง่าย เอาแค่ชื่อเมืองนะครับถ้าจะให้ตรงความจริงคนฟังก็คงสับสนและจําไม่ได้นึกภาพไม่ออกและอาจเป็นภาษาที่แตกต่างจนฟังแล้วตลกหรือฟังแล้วเกินจะเชื่อไปเลยว่ามีภาษาเหล่านั้นอยู่จริงแทนที่จะเข้าเนื้อหาสาระที่ต้องการสื่อถึงคนฟังก็จะติดข้องสงสัยแต่ว่ามันมีชื่อเมืองนี้จริงหรอบางทีบางเรื่องอาจหมายถึงยุคที่เจริญมียานอาวกาศมีอะไรทันสมัย แต่ถ้าบอกตามตรงคนยุคนั้นจะเข้าใจได้อย่างไรก็เลยต้องอธิบายเปรียบเทียบให้เห็นภาพได้ง่ายเป็นม้าบินได้ช้างบินได้เทียมด้วยรถที่เหาะได้หรืออื่นๆที่เขาเชื่อตามตำนานโบราณกันมานานแล้วการศึกษาคำพีที่สืบทอดมาต่างยุคต่างสมัยก็ต้องเข้าใจการสอนการอธิบายในสมัยนั้นๆด้วยนะครับว่าท่านสอนใครกลุ่มไหนวาระใด เป็นกุสโลบายเป็นการเปรียบเทียบหรือเปล่าเป็นการสร้างสื่อการสอนให้เหมาะสมกับคนได้ง่ายที่สุดหรือเปล่าถ้าเราสืบทอดคําสอนต่อกันมาสู่คนรุ่นใหม่แล้วไม่มีการอธิบายหลักการให้เข้าใจก็จะทําให้คนรุ่นใหม่ผ่านไม่เชื่อศาสนาไปซะเยอะอย่างที่เห็นนะครับส่วนพวกที่เชื่อก็เชื่ อ, อแบบงมงายติดแต่เปลือกบางทีก็แค่เปลือกป ล, มปลอมๆด้วยนะครับ และไม่สนใจจะเข้าถึงแก่นสักทีถ้าจะพิจารณาความเพียงของพระพุทธเจ้าถ้ายกเรื่องครั้นสวยพระชาติเป็นเดรัจฉานหากไม่เข้าใจหลักการสอนก็คงยากที่จะเชื่อและน้อมใจเชื่อได้จริงนะครับในทางเผยแผ่ถ้าจะให้เหมาะกับคนยุคไอทีก็ควรจะตัดเรื่องพวกนี้ไปเพราะมีโอกาสจะทําให้เข้าใจผิดและทําให้คนไม่เชื่อนี่มากขึ้น การยกพระขันติธรรมสมัยพระพุทธเจ้าเสวยพระชาติในทศชาติชาดกยังจะน่าเชื่อถือสักกว่านะครับและน้อมจิตมาทำตามได้ดีกว่าแต่ทั้งนี้ก็ต้องอยู่ที่ว่าการเผยแผ่ก็ต้องอธิบายให้คนรุ่นใหม่เข้าใจได้ด้วยว่าการกลับชาติมาเกิดมีจริงและแม้ฝรั่งจำนวนมากเขาก็ทำเป็นสารคดีเดินทางพิสูจน์ทดสอบเป็นวิทยาศาสตร์จนยอมรับกันอย่างกว้างขวางระดับหนึ่งแล้ว ซึ่งถ้าเราสอนศาสนาเพียงแต่แค่ในตำราแต่ไม่อิงการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์เลยผลที่ได้สุดท้ายศาสนาจะเป็นแค่ลัทธิความเชื่อที่ควรใช้วิจารณญาณในการชมเท่านั้นทั้งที่คำสอนในพระพุทธศาสนาไม่ใช่ความเชื่อแต่เป็นความจริงของธรรมชาติที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วนามาบอกให้พวกเราฟังเท่านั้นนะครับคาสอนในทางศาสนานั้น ไม่ใช่ต้องเชื่อไม่บังคับแต่บอกให้ฟังว่าสิ่งนี้มีเพราะสิ่งนี้หลักกฎแห่งกรรมคืออะไรการเวียนว่ายตายเกิดมีจริงและจะหลุดพ้นได้อย่างไรถ้าเข้าใจจริงจะไม่มีคำหลุดมาให้ได้ยินประจำนะครับว่าถ้าชาติน่ามีจริงขอให้อย่างนั้นอย่างนี้ก็เหมือนคงไม่มีใครปัญญากรอบพอจะบอกว่าถ้าอเมริกามีจริงถ้าดวงจันทร์มีจริง ถ้ากาแล็กซี่อื่นมีจริงขอให้เราได้พบกันที่นั่นขอนั่นขอนี้ขอให้เป็นอย่างนั้นรวมถึงถ้าเวลาใครตายก็คงไม่มีใครมาบอกหรอกว่าหลับให้สบายนะพักผ่อนให้สบายทั้งที่คนตายอาจกำลังทรมานหนักกว่าเดิมจากการตายผิดธรรมชาติและไม่มีบุญมากพอกลายเป็นผีอดอยากโหยหาคนรักทรมานแทบขาดใจอยู่แถวๆที่ตายนั้นนั่นเอง สำหรับชาดกนั้นอาจเป็นได้ทั้งการถูกเสริมจากการสืบทอดมายาวนานเพื่อใช้สอนคนในยุคโบราณให้รู้สึกฝั่งสนุกไม่ต่างกับนิทานอีศพนะครับที่ฟังสนุกแต่สอนคนสอนเด็กได้เข้าใจได้จริงเด่นแก่นคําสอนคือคุณธรรมคงไม่มีใครนะครับที่ฟังนิทานอีศพแล้วมานั่งคิดว่ามันจริงหรือไม่จริงสัตว์พูดได้จริงหรือเปล่า แต่ก็จะได้ข้อคิดเตือนใจว่าควรทำสิ่งนี้ไม่ควรทำสิ่งนี้อีกนัยยะหนึ่งก็อาจเป็นเรื่องจริงครั้นเเวยชาติเป็นเดรัจฉานจริงแต่เป็นระดับเดรัจฉานที่มีบุญญาธิการสะสมไว้มากแต่พลัดหลงไปเกิดในอบายภูมิซึ่งแม้แต่พระสงฆ์ปฏิบัติดีแค่จิตห่วงจีวรที่เพิ่งได้มาใหม่นะครับแล้วผูกปับตายอย่างพลัดไปเกิดเป็นเลนอาศัยอยู่ในจีวร น, นั้น เพื่อเฝ้าจีวร น, นั่นเลยการพลัดหลงไปเกิดเป็นเดรัจฉานของผู้มีบุญมีโอกาสเป็นไปได้เสมอนะครับถ้าหากว่าในขณะตายนั้นจิตเศร้าหมองซึ่งในชาดกนั้นเป็นพระชาติก่อนเก่านานมาแล้วก่อนที่จะได้สวยพระชาติมาสุขติภูมิในภายหลังลักษณะที่มีบุญบางตัวก็แสดงให้เห็นถึงบุญที่มีว่ามากกว่าคนหลายเท่า ได้อยู่ดีกินดีนอนห้องแอร์หมาแมวสัตว์เลี้ยงจานวนมากนะครับที่ฟังภาษาคนรู้เรื่องและมีอะไรพิเศษจนคนเลี้ยงและหลายคนต้องแปลกใจซึ่งเรื่องในชาดกนั้นอาจจะเป็นเรื่องจริงที่สวยพระชาติเป็นเดรัจฉานตามนั้นจริงและต้องอดทนต้องอดกลั้นอย่างมากตามท้องเรื่องนั้นจริงก็ได้เพียงแต่การนํามาเล่าถ้าไม่แต่งให้เป็นบทพูดสื่อสารระหว่างคนกับสัตว์ได้จะนํามาเล่ายัางไง นี่อาจเป็นวิธีการสร้างสื่อการสอนอีกวิธีหนึ่งที่ใช้เรื่องจริงแต่ผ่านการปรุงแต่งให้มีบทพูดขึ้นมานะครับเราก็ได้ผลจริงคือคนในยุคคุตการฟังแล้วไม่เบื่ออยากฟังสนใจฟังจิตเป็นกุศลก็น้อมเข้าสู่เนื้อหาหลักต่อไปได้ง่ายเมื่อตรัสสอนธรรมะแท้ก็พิจารณาตามได้ง่ายอ น, นาสู่การบรรลุธรรมต่อไปหรือถ้าไม่บรรลุธรรม ก็เกิดศรัทธาในการทำดีรักษาศีลทาสมาธิปฏิบัติธรรมเป็นบันไดขั้นหนึ่งสำหรับคนจริตปัญญาวาสนาประเภทหนึ่งซึ่งพองมาถึงยุคปัจจุบันวิธีนี้อาจใช้ไม่ได้กับเด็กยุคใหมย่ยุคไอทีบางคนนะครับที่ต้องการการพิสูจน์เป็นเหตุผลเป็นวิทยาศาสตร์มากกว่านี้สำหรับหมายเหตุตรงนี้ก็ด้วยหวังว่าจะเห็นการเผยแผ่ธรรมะให้กับคนรุ่นใหม่ ได้ถูกต้องตรงทางเหมาะสมกับคนยุคนี้มากขึ้นหากผิดภลาพประการใดก็ต้องขอกราบขอขมาขออาห้หสิกกรรมไว้หนที่นี้ด้วยนะครับแต่ก็หวังว่าข้อคิดนี้อาจจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับผู้เผยแพ่ธรรมะไปสู่เยาวชนจึงขอฝากเรื่องนี้ไว้ด้วยนะครับ อุบายบรรเทาความโกรธประการที่เจ็ดด้วยพิจารณาความสัมพันธ์กันมาในสังสารวัฏก็แลยโยคีบุคคลผู้ซึ่งได้เข้าถึงความเป็นาธาตุของกิเลสมานานหลายร้อยหลายพันชาติแม้จะได้พยายามพิจารณาถึงพระคุณคือพระจริยาวัดของพระบรมศาสดาในปางก่อนโดยวิธีดังแสดงมาซักเท่าไหร่ก็ตาม ความโกรธแค้นนั้นก็ยังไม่สงบอยู่นั่นแหละคราวนี้โยคีบุคคล น, นั้นจงพิจารณาถึงความสัมพันธ์กันมาในสังสารวัฏอันยาวนานซึ่งสาวหาเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ได้โดยอุบายวิธีดังต่อไปนี้แล้วเรื่องนี้พระผู้มีพระภาคได้ตรัสสอนไว้ซึ่งมีปรากฏในคำพีสังยุตตนิกายนิทานวักว่าภิกษุทั้งหลาย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 เคยเป็นมารดาของเรามาในชาติปางก่อนเขาเคยได้บริหารรักษาเราอยู่ในคันตลอดเวลาสิบเดือนได้ช่วยล้างเช็ดปัสสาวะอุจจาระน้ำลายและน้ำมูกเป็นต้นให้แก่เราโดยไม่รังเกียจเห็นสิ่งปฏิกูลเหล่านั้นเหมือนฝุ่นจันหอมช่วยประคองเราให้นอนอยู่ในระหว่างอกอุ้มเราไปด้วยใส่เอวได้ทนุถนอมเลี้ยงเรามาเป็นอย่างดีชนี้ บุรุษผู้นี้เคยเป็นบิดาของเรามาเมื่อประกอบการค้าขายต้องเดินไปในทางอันทุรกันดานเจนตรงไปด้วยอาศัยแพะเป็นพาหนะและต้องเหนี่ยวรั้งไปด้วยไม้คอเป็นต้นแม้ชีวิตก็ยอมเสียสละเพื่อประโยชน์แก่ตัวเราครั้นในยามเกิดสงครามประชิดติดพันทั้งสองฝ่ายก็ต้องเอาตนเข้าสู่สนามรบ บางครั้งต้องแล่นเรือผ่านมหาสมุทรอันเต็มไปด้วยภัยอันตรายและได้ทำกิจการอย่างอื่นๆซึ่งล้วนแต่เป็นสิ่งที่ทำได้ด้วยความลำบากยากเข็นพยายามสั่งสมทรัพย์ไว้ด้วยอุบายต่างๆด้วยมั่นหมายว่าจะเลี้ยงดูลูกๆทั้งหลายให้เป็นสุขช่นนี้บุรุษผู้นี้เคยเป็นพี่น้องชายของเรามาสตรีผู้นี้ เคยเป็นพี่น้องหญิงของเรามาบุรุษผู้นี้เคยเป็นบุตรของเรามาสตรีผู้นี้เคยเป็นทิดาของเรามาและแต่ละบุคคล น, นั้นเคยได้ทำอุปการะแก่เรามาหลายอย่างหลายประการเป็นอันมากเพราะเหตุฉะนั้นการที่เราจะทำใจให้โกรธแค้นในบุคคล น, นั้นๆย่อมเป็นการไม่สมควรอย่างยิ่งฉชนนี้ อุบายมันเทาความโกรธประการที่แปดด้วยพิจารณาอานิสงเมตตาถ้าพระโยคีได้พยายามพิจารณาโดยความสัมพันธ์กันมาในสังสารวัตรดังแสดงมาแล้วก็ยังไม่สามารถที่จะทำความโกรธแค้นให้ดับลงได้อยู่นั่นแหลแต่นั้นโยคีบุคคลจงพิจารณาถึงอนิสงของเมตตา ด้วยอุบายวิธีดังต่อไปนี้นี่แนะ่ะพ่อมหาจำเริญพระผู้มีพระภาคได้ตรัสสอนไว้แล้วไม่ใช่หรือว่าภิกษุทั้งหลายคนผู้เจริญเมตตาภาวนาพึงหวังได้แน่นอนซึ่งอนิสงส์สิบเอ็ดประการของเมตตาเจโตวิมุตติที่ตนสองเศษหนักแล้วทำให้เจริญขึ้นแล้วทำให้มากๆแล้ว ทำให้เป็นเหมือนยานที่เตรียมพร้อมแล้วทำให้เป็นดุษฐานอันแน่นหนาอันมั่นคงแล้วทำให้ปรากฏชัดแล้วสั่งสมด้วยว่าสีห้าดีแล้วทำให้บังเกิดขึ้นด้วยดีแล้วอา น, นิสง์ของเมตตาเจโตวิมุตติสิอประการนั้นคือหนึ่งนอนเป็นสุขคือไม่กลิ้งไม่โกรนหลับอย่างสนิทเหมือนเข้าสมาบัต มีลักษณะท่าทางเรียบร้อยงดงามน่าเลื่อมใส 2. ตื่นเป็นสุขคือตื่นขึ้นแล้วไม่ทอดถอนหายใจไม่สยิวหน้าไม่บิดไปบิดมามีหน้าตาชื่นบานเหมือนดอกประทุมที่กำลังแย้มบาน 3. ไม่ฝันร้ายคือไม่ฝันเห็นสิ่งที่น่าเกลียดน่ากลัว เช่นพวกโจรรุมล้อมสุนักไล่กัดหรือตกเหวฝันเห็นแต่นิมิต ท, ที่ดีงามเช่นไหวพระเจดีทําการบูชาและฟังธรรมเทศนาสเป็นที่รักของมนุษย์ทั้งหลายคือเป็นที่รักเป็นที่เจริญใจของคนทั้งหลายเหมือนพวงไข่มุกที่ห้อยอยู่หน้าอกหรือดอกไม้ที่ประดับอยู่บนเสียน เป็นที่รักของอมนุษย์ทั้งหลายคือไม่ใช่เป็นที่รักของคนอย่างเดียวยังเป็นที่รักตลอดไปถึงเหล่าเทวาอารักทั้งหลายด้วย 6. เทวดาทั้งหลายคอยเฝ้ารักษาคือเทวดาทั้งหลายย่อมคอยตามรักษาเหมือนมารดาบิดาคอยตามรักษาบุตรทิดาเจ็ 7. ไฟยาพิษหรือสตราไม่กล้ากลายในตัวของเขาคือไม่ถูกไฟไหม้ไม่ถูกวางยาพิษหรือไม่ถูกสตราอาวุธประหาร 8. จิตเป็นสมาธิเร็วคือเมื่อเจริญกรรมฐานจิตสำเร็จเป็นอุปจารสมาธิหรืออัปนาสมาธิได้เร็ว 9. ผิวหน้าผ่องใส คือหน้าตามีผิวพันธุ์เปล่งปลั่งสดใสเหมือนลูกตาลสุกที่หล่นจากขั่วใหม่ๆส0ไม่หลงทากาลกิริยาคือไม่หลงตายคล้ายกับนอนหลับไปเฉยๆ 11. เอเมื่อไม่บรรลุถึงคุณธรรมเบื้องสูงอย่างต่ำก็จะบังเกิดในโภมโลกคือถ้ายังไม่ได้บรรลุพระอรหัต อันเป็นคุณเบื้องสูงยิ่งกว่าเมตตาชานพอเคลื่อนจากมนุสยโลกก็จะเข้าสู่พรหมโลกทันทีเหมือนหลับแล้วตื่นขึ้นนี่เนะี่ะพ่อมหาจำเริญถ้าเจ้าจาักไม่ทาจิตที่โกรธแค้นอยู่นี้ให้ดับไปเสียแล้วเจ้าก็จักเป็นคนอยู่ภายนอกจากอานิสง์เมตตาสิบเอ็ดประการชนนี้ อุบายบรรเทาความโกรธด้วยพิจารณาแยกธาตุถ้าโยคีบุคคลยังไม่สามารถที่จะทำความโกรธแค้นให้ดับลงได้ด้วยอุบายวิธีดังสแสดงมาคราวนี้จงนึกเอาคนคู่เวร น, นั้นมาพิจารณาแยกออกให้เห็นเป็นเพียงศักว่าธาตุส่วนหนึ่งหนึ่งด้วยอุบายวิธีดังนี้โยคีบุคคล พึงพร่ำสอนตนโดยวิธีแยกธาตุว่านี่เนะ่พ่อมหาจำเริญเมื่อเจ้าโกรธคนคู่เวร น, นั้นเจ้าโกรธอะไรเขาเล่าคือในอาการสามสิสองเจ้าโกรธผมหรือขนเรือเล็บฟันหนังหรือโกรธเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อกระดูก ม, ม้ามหรือโกรธหัวใจตับพังผืดไตปอด หรือโกรธไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่ามันสมองเจ้าโกรธ ด, ดีสเลตน้องเลือดเหงื่อมันข้นฤๅหรือโกรธน้ำตาน้ำมันเหลวน้ำลายน้ำมูกน้ำไข่ข้อน้ำมูดหรือในธาตุสี่เจ้าโกรธธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมรอึอันหนึ่งคนคู่เวร น, นั้นเพราะอาศัยขันห้าหรืออายตนะสิบสอง หรือธาตุสิบปดเหล่าใดเขาจึงได้มีชื่ออย่างนั้นในขันห้านั้นเจ้าโกรธรูปประขันหรือหรือโกรธเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันวิญญาณขันหรือในอายตนะสิองนั้นเจ้าโกรธจักขวาลยตนะรูปายตนะหรือโกรธโสตายตนะสัตทายตนะขานายตนะขันทายตนะ ชิวหายตนะรัสายตนะกายายตนะโหตภายตนะมนายตนะธรรมายตนะหรือในธาสิบปดนั้นเจ้าโกรธจากขู่ธาตุรูปธาตุจากขู่วิญญาณธาตุหรือโกรธโสตธาตุสัทธาาตุโสตวิญญาณธาตุขานทาธาตุขันทะธาตุขานวิญญาณธาตุชิวหาธาตุราาทาทัสธาตุ จิวหาวิญญาณธาตุกายธาตุโพธพธาตุกายาวิญญาณธาตุหรือมโนธาตุธรรมธาตุมโนวิญญาณธาตุเมื่อโยคีบุคคลพิจารณาแยกกระจายคนคู่เวร น, นั้นออกโดยภาวะที่เป็นธาตุคือเป็นเพียงชิ้นส่วนอันหนึ่งอันหนึ่งประกอบกันไว้ดังได้แสดงมาชนันนี้ก็จะมองเห็นสภาวะธรรมด้วยปัญญา เห็นแจ้งชัดว่าฐานสําหรับที่จะรองรับความโกรธย่อมไม่มีอยู่ในคนคู่เวรนั้นเพราะธาตุทั้งหลายแต่ละธาตุแต่ละธาตุมีผมเป็นต้นนั้นเป็นสิ่งอันไคลไกไม่ควรจะโกรธและนอกเหนือไปจากธาตุทั้งหลายมีผมเป็นต้นนั้นแล้วก็หามีคนไม่ซึ่งเปรียบเหมือนฐานสําหรับรองรับเมล็ดพันธุ์ผักกาด ไม่มีที่ปลายเหล็กจานคือเหล็กแหลมและฐานสำหรับรองรับจิตกรรมไม่มีในอากาศฉะนั้นอุบายบรรเทาความโกรธประการที่สิบด้วยการให้ปันสิ่งของส่วนโยคีบุคคลผู้ไม่สามารถที่จะพิจารณาโดยวิธีแยกธาตุดังแสดงมา ก็พึงทําการให้ปันสิ่งของกล่าวคือพึงให้ปันสิ่งของของตนแก่คนคู่เวรตนเองก็ควรรับสิ่งของของคนคู่เวรด้วยถ้าแหละคนคู่เวรมีอาชีพบกพร่องมีเครื่องบริการชารุดใช้สอยไม่ได้ก็พึงให้เครื่องบริการของตนนั่นแหละแก่เธอเมื่อโยกขีบุคคลทําการให้ปันได้อย่างนี้ ความอาฆาตเคียดแค้นก็จะระ ง, งับลงโดยสนิททีเดียวและแม้ความโกรธของคนคู่เวรซึ่งติดตามมาตั้งแต่อดีตชาติก็จะระ ง, งับลงโดยทันทีเช่นเดียวกันบรนดังความโกรธของพระมหาเทรารูปหนึ่งระ ง, งับลงเพราะได้บาดซึ่งพระปิณฑปาติกะเทระผู้ถูกขับออกจากเสนาสนะในวัดจิตตะบรรพศถึงสามครั้ง ได้มอบถวายพร้อมกับเรียนว่าท่านขอรับบาทใ บ, บนี้มีราคาแปดกหาปณะนะอุบาสิกาผู้เป็นโยมหญิงของกระผมถวายเป็นลาบที่ได้มาโดยชอบธรรมขอท่านได้กรุณาทำให้เป็นบุญลาบแก่มาหาอุบาสิกาด้วยเถิดฉนันนี้ขึ้นชื่อว่าการให้ปันนี้มีอนุภาพอันยิ่งใหญ่ฉนันนี้สมด้วยวัจนะประพัน อันพระบราณาจารย์ได้ประพันธ์ไว้ว่าอัท t a n t ร a t h a m a n n ังทาน a ง n a พ g Thannang Spathasa Thakang Thane Na Piyawajaya การให้ปั่นเป็นอุบายทรมานคนพยศให้หายได้การให้ปันเป็นเครื่องบันดาลให้ประโยชน์ทุกๆอย่างสำเร็จได้ผู้ให้ปั่นย่อมฟูใจขึ้น ฝ่ายผู้รับปันย่อมอ่อนน้อมลงทั้งนี้ด้วยการให้ปันด้วยวาจาอ่อนหวานเป็นเหตุฉชนนี้